บทภาชณีมาติกา272จับต้องรูปคลํารูปลงรูปขึ้นจับกดลงจับให้เงยขึ้นฉุดมาผลักไปนวดบีบจับต้องที่ชื่อว่าจับต้องคือกริยาเพียงแต่รูปคลําที่ชื่อว่ารูปคลําคือรูปคลําในทางโน้นทางนี้ที่ชื่อว่ารูปลงคือรูปลงเบื้องล่าง ที่ชื่อว่ารูปขึ้นคือรูปขึ้นเบื้องบนที่ชื่อว่าจับกดลงคือจับโน้มลงข้างล่างที่ชื่อว่าจับให้เงยขึ้นคือจับให้เงยขึ้นข้างบนที่ชื่อว่าฉุดมาคือรั้งมาที่ชื่อว่าผลักไปคือผลักออกไปที่ชื่อว่านวดคือจับเอาไวะแล้วบีบนวดที่ชื่อว่าบีบคือบีบรัดกับผ้าหรืออภรบางอย่างที่ชื่อว่าจับคือลักษณะเพียงแต่จับ ที่ชื่อว่าต้องคือลักษณะเพียงสัมผัสคำว่าเป็นสังคาธทิเศสความว่าสำหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัดและเรียกเข้าหมู่คณะก็ทำไม่ได้พิสูรรูปเดียวก็ทำไม่ได้ฉะนั้นจึงตรัสว่าเป็นสังคาธทิเศสคำว่าเป็นสังคาธทิเศสนี้เป็นการขนานนามเป็นชื่อของหมวดอบัตินั้น เพราะเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นสังฆาทิเศษ